แก่บรรดาปวงชนทลายคำว่ามือไว้ต้องหมายถึงว่าชอบโฉกชิงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นสมบัติของตนรือใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงและบริการต่างๆของราคาถูกพยายามเสริมราคาให้แพงเกินคนดีแล้วก็สิ่ง เหตุบางรการที่จะต้องเสียน้อยก็พยายามให้เสียมากมีหลายเรื่องด้วกันโดยประเภทนี้ถี่ว่าเป็นเรื่องเข้มมือวไวเหมือนกันผู้พูดเองก็ถูกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาแล้วแต่ว่าที่มาพูดนี้ไม่ได้หมายความว่ายาวตัวเข้ามาเป็นเครื่องอ้างรู้ว่าจะมาฟ้องร้องจำบรรดาประชาชน เรื่องของถูกกลายเป็นของแพงของคนจะได้เร็วกลายเป็นได้ชา้าเป็นการตะวิงเวลาจด้ขอปาลาร็ท่านหน่วยงานหน่วยหนึ่งเมื่อปีพศ2513 อ, อ25ีนั้นอยากต้องการจะเอาวบฟ้าเข้ามาใช้ในสถานที่ความจริงเป็นส่วนสาธารณะ ทำนางสื้อขอไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วข่าวก็บอกว่าระบบไฟฟ้าจะลงมาได้เดือนมีนาพอถึงเดือนมีนาไปถามเข้าก็บอกว่ามอบแปลงจะลงได้เดือนเมษาถึงเดือนเมษาก็ไปถามอีกเราจะได้ลงได้เดือนพฤษภา ถึงเดิอนพฤษภาไปถามอีกก็บอกว่าจะลงได้เดือนมิถุนาไปไปมามาต้องไปหาท่านผู้ใหญ่บางท่านในหน่วยงานนั้นกระแสไฟก็เลยเร่งรัดแบบประเภทเร่งรัด <c oughs> ออมาลงได้เดือนกรกฎาคมมีการประวิงเวลาแบบนี้ถ้าเป็นพ่อค้าธรรมดา แต่ว่ากระแสไฟฟ้า น, นั้นจะเป็นของหลวงแล้วไม่ใช่ของหลวงผู้พูดไม่ทราบถ้าจตาพิว่าเป็นเรื่องคนหนุ่ยงานงานหนึ่งอาจจะเป็นบริษัทเอกชนหรือว่าของรัฐวิสาหากิจอะไรก็ไม่ทราบแต่ประเมินว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อแล้วก็ไปติดต่อถึงสถานที่หลายจดุดเป็นขั้นเป็นตอนหลายรายการ การประวิงเวลาแบบนี้ถ้าเราจะดูกันไปก็ต้องถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันหรือว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายที่ทำงานประเภทนั้นเอาเงินเดือนเอาเบี้ยเลี้ยงได้ลผลงานคือหมายความว่ากระแสะไฟฟ้าถ้าจ่ายได้ไปจ่ายไปได้หนงานนั้นๆ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 น้ั้นหลายลองพิจารณาดูแค่มอบแปลงไฟฟ้าลูกเดียวต้องใช้เวลาตั้งแต่กุมภาพันธ์นาเมษาพฤษภามธุนวาและกรกฎากรกฎานี้ถ้าหากว่าไม่เร่งรัดก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นเป็นปีพศ .2513 ถ้ามาเรื่องดังงานก็ไม่กันหน่วยงานนั้นเอง ก็เขียนค่าแรงงานเสาสายไม้คอนแรงงานค่าแรงงานจริงๆเขาเขียนมาคนละสี่สิบบาทต่อหนึ่งวันเวลาที่ทำงานจริงๆไปถามผูู้กบจ้างรายวันทั้งหลายว่าเขาจ้างพวกคณมาคนละวันละเท่าไหร่บรรดาลู้จ้างทั้งหลายบอกว่าเขาจ้างมาวันละสิบห้าบาทคนที่ไปงานนิด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 ถ้าคงจะไม่ถึงนายงานหรือว่าเจ้าขององค์การนั้นๆถ้ามีเพราะอะไรเพราะว่าตีราคามาสูงแต่วัยจ่ายต่ำถ้าบังเอิญจะถึงมือก็ถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันใช่เล่ห์เหลี่ยมคดโกงเอากับกุบคคลผู้จะทําผลประโยชน์ให้แก่นตนโดยการใช้กระแสไฟฟ้าตนเองได้ประโยชน์ เก็บค่ากระแสไฟฟ้าได้ค่าอะไรต่อค่าไรกีปาธานี่เป็นจุดที่หนึ่งแล้จุดที่สองต้องการจะใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณประโยชน์ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อติดต่อเจ้าหน้าเดินกุมพาเหมือนกันเรื่องจะตกกุ ม, มาได้ก็เดือนกรกฎาคม ในทำนองเดียวกันซึ่งมันมีระยะทางไม่เท่าไรใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณะประมาณสิบดวงเศษเศษระยะทางก็ไม่เต็มครึ่งกิโลนักท่านเมื่อเรื่องแจ้งมาก็บอกว่าถ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องให้เจ้ทาท่านที่เขาหน่วยงานนั้นให้หน่วยงานนี้มันมหมายความว่าเป็นหน่วยงานเขาขั้นรื่การทั้งราชการเสมอไป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 ก็ฟังคำว่าสี่หมืนบาทก็ตกใจถามว่าสี่หมืนบาทนี่ช่วยแล้วหรือยังหรือว่าจะให้ทางผู้พูดเองยายเงินหนึ่งในสามขอ4สี่หมืนบาทผู <c oughs> ้ไม่แจ้งบอกว่าสี่หมืนบาทนี่เป็นหนึ่งในสามถ้าเฉพอีกสองในสามนั่นหน่วยงานนั้นออกให้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 นี่ก็ลองคิดดูประเภทนี้เป็นประเภทมือไวหรือเปล่าก็ถือว่าต้องเป็นประเภทมือไวมือไวตอนไหนก็โกงเงินของบุคคลผู้จะติดตั้งขอติดตั้งอัตราจริงๆแล้วมันหมื่นบาทเสศษๆแล้วไม่เกินสองหมืนบาทตามที่ช่างใบฟ้าเข้ามารับเหมา ว, ว่าทําได้แต่ฝ่ายนั้นบอกว่าช่วยไปแล้ว ถ้าช่วยจริงๆเขาก็ต้องช่วยทั้ง 80,000 บาทแล้สองในสามแล้วผู้พูดเองจะต้องจ่ายเงินไปอีก 40,000 บาทรวมแล้วเขาตีราคามาแสนสองหมื่นบาทซึ่งราคาจริงมันไม่ถึงสองหมื่นบาทที่องค์งมเด็จตสมมาสมพรธเจ้าทรงแนะนำช่วยโลกบอกจงยามือไวประเภทนี้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 เอากํำไรอย่างเดียวก็พอตำนาแถมเอาบุญคุณเส้นด้วยนี่ประเภทมือไวที่ท่านบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกแตความจริงพระพุทธศาสนาช่วยแล้วช่วยแล้วแต่คนรับความช่วยเหลือไม่มีแต่องค์สมเด็จพระหินสีกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสันโดษคำวมาสันโดสนี่ไม่สิแปลว่าขี้เกียจ จันด์โดดนั่แปลว่ายินดีแต่เฉพาะของที่เราหามันได้โดยชอบทำพ่านหลายที่กล่าวถึงก็มีเงินเดือนมีเบีย้ยเลี้ยงนายจ้างจ้างแล้วแต่ทําไมที่ต้องมาขึ้นราคากันขนาดนี้ราคาประมาณเอาละคิดอย่างแพงที่สุขสองหมืนบาทแต่ตีราคามาจริงๆมันแสนสองหมื่นบาท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 เมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาถ้าจะถามเรื่องราคา <c oughs> ราคาหน่วยงานทางราชการส่วนท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาบอกว่าราคาที่ท่านสร้างนี้เขาได้โปรดจะบอกให้ใครทราบถ้ามันบอกหมายความว่าจะโฆษณาไปเพราะว่าราคาทางราชการสร้างจริงๆ ร, ราคานี้มันไม่ได้ เรื่องนี้ก็ไม่โทษรัชการเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาการประมูลต้องเสียอะไรต่ อ, อไรหลายอย่างผู้พู ด, พดที่พูดแล้วก็สร้างเองจชกชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีศรัทธา ม, มาร่วมกันสร้างใช้เงินไปประทั้งหมดและพื้นที่ด้วยประมาณสามล้านสี่แสนบาท สาล้านสี่แสนบาทนี่เรามีอาคารกันเยอะะมีกำพงกำแพงมากคิดราคาจริงๆกับราคาประมูลก็จะอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นความจริงราคาประมูลนี่โทษเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าประมูลทำเส้นยาลงไปการดีราคาค่าของก็ต้องเผื่อของขึ้นไปด้วยเผื่อการทำงานไม่เสร็จค่าแรงงานจะเกินตัวหมายถึงว่าลูกจ้างจะขึ้นราคา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 การก่อสร้างจะไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนวัตถุก่อสร้างจะไม่ครบถุวนจะเป็นอันตรายอย่างที่เคยเห็นตึกสร้างเสร็จราวสร้างเสร็จสุดสร้างเสร็จพังอย่างนี้มีมากนั่นเพราะทำไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนนี่มาสร้างโรงพยาบาลเสร็จหน่วยสาธารณสุขมีทนาธิบุดี กรมสาธังสุขรองอธิบดีเป็นต้นแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทราบแล้วก็รีบจัดการให้แพทย์มาอยู่ให้พยาบาลมาอยู่ทั้งทั้งที่งบประมาณยังไม่ถึงคือมาอยู่วันที่ 1, หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยี่สิบสี่ยี่สิบนี้เองในเวลานี้ถือว่ายังไม่ผ่านงบประมาณแต่ท่านกุณาจัดสมให้รวดเร็วที่สุด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 เป็นนว่าผลงานแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆความจริงก็จะเล็กแค่ใหญ่ก็ตามมันก็ใหญ่กว่าเรื่องของไฟฟ้าที่พูดมาในการก่อนใหญ่กว่ามากแต่ว่างานพอเสร็จก็ส่งปรับ ย, ยังคาดไม่ถึงตอนนี้จะพูดกันไปถึงหน่วยระยการทางฝ่ายทหารก็มาทราบว่าห้องศัลยกรรมห้องสูจีกรรม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 ทำความเย็นส่งมาสามเครื่องเครือแอร์เครื่องแปลอากาศกับตู้เย็นอีกสามตู้และอแล้วก็ตู้สําหรับใส่เอกสารอีกสองตู้นี่แต่เหน่งขั้นท่ช่วยกันไหมายความว่าไม่ได้กโกงของท่านดน ก, การส่งมาให้เป็นการทําบุญร่วมกันเห็นจะเป็นการบอกบุญกันนั้นด้วยอะไรกันยังไงก็ช่างเถอะเรียกว่าท่านทำด้วยความเต็มใจ นี่ต่อมาก่อนที่โรงพยาบาลจะเสร็จจะคิดว่ารกระแสไฟฟ้าที่ให้ไปมันมีมิตเตอร์เล็กเต็มทีไม่เหมาะกับการที่จะใช้พระโรงพยาบาลจริงๆทางกระทางกรมสาธารณสุขบอกว่าจะมาสร้างตึกหนึ่งหลังสามสิบเตียงเป็นตึกสูญญกรรมโดยตรงและวีคนคลอดชะกับพักได้ส บ, บายมีทุกอย่างเสร็จ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 ท่านมาถึงแล้วก็ปรากฏว่าแค่มิเตอร์จากหมอ้อแปลงอนมาณีลงไม่ได้หมอ้อแปลงเท่าที่พูดนี่หมอ้อแปลงปรากฏมาแล้วเดือนเสร็จแต่ว่ามิเตอร์ที่จะต้องวัดไฟฟ้าไฟใจเข้าใช้ในโรงพยบาบาลยังทำไม่ได้เลยที่พูดนี่เป็นพูดวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้ารอยยี่สิบ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 เมื่อเขาติดตั้งผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ตั้งมอบแปลงเสร็จมอแปลงนี้ก็จ่ายไป 40, 000, 40, 000สี่0มืนแลสี่หมืนเศ็จพียงแค่สามสิบควีเอความจริงมันก็จะแพงจะถูกก็ไม่ว่าก็คอยงานมันเป็นไปตามรูปงานก็เนแล้วกันอมอบแปลงจริงๆตามมันสีของแพทย์ใหญ่ที่แจ้งมาบอกว่าตั้งไปแล้วได้จ่ายไปแล้วสี่หมืนสองพันสองร้อยเก้าสเอ็ดบาท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 ต้องทำหนังสือไปตามระเบียบอีกวาระหนึ่งนี่แกก็นอนนิ่งที่สองอาทิตย์เษเมื่อทวงถามไปก็บอกว่าบอกว่าไม่ขอมานี้ควาจริงถ้าก็ไม่ต้องการมีเตอร์แล้วก็จะขอมอบแปลงให้มันเสียเงินเสียทองทำไมนี่เมื่อทำหนังสือขอไปแล้วป่านนี้ก็ยังไม่ได้เลยที่พูดนี้วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสอง0ันห้ารอยี่สิบ งานประเภทนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นประเภทมือไวเหมือนกันคิดว่าทําลายเศรษฐกิจของชาติองสมเด็จพ ร, ระบรมโลรสาธาชบอกว่าการงานประเภทนี้เป็นงานที่มันเสียคิดว่าไมา่ได้เกิดประโยชน์มีแต่โทษทําลายผลรายได้ที่อยู่ในเชงได้เข้ามาแต่ถ้าว่าประโยชน์ส่วนตนผู้เป็นลูกจ้างเงินเดือนเงินดาวต้องการเยอะขึ้นถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็บน่น ความจริงถ้าเขาจะบ่นก็ควรจะคิดถึงผลงานว่างานที่ทำทำแบบนั้นเมื่อในรจ้างไม่ได้ผลงานขึ้นมาจ้าเงินที่ไหนไปจ้างสำหรับเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกถ้าที่พูดมานี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอ ย, า ย, างยา่าคดอย่าโกงอย่าทำลายผลประโยชน์สิ่งอะไรกันวันดาธนาลายเห็นแล้วได้อย่างว่าพระพุทธศาสนาช่วยแต่คนที่รับความ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 ต่อไปขอท่านดังละต่อที่ไปก็จะขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี